ที่ชื่อว่าถูกราคะครอบงําแล้วคือมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่คาว่าแปรปรวนความว่าจิตกําหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตกโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างแต่จิตกําหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าแปรปรวนในความหมายนี้ ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิเรกชานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคําสุภาษิตทุพภาสิตคําหยาบและคําสุภาพคําว่าต่อหน้ามาตุคามคือที่ใกล้มาตุคามไม่ไกลจากมาตุคามคําว่าความใคร่ของตนได้แก่ ความใคร่ของตนเหตุของตนความประสงค์ของตนการบำเรอของตนคำว่านี้ชั้นยอดคือนี้เป็นยอดนี้ประเสริฐที่สุดนี้เป็นชั้นแนวหน้านี้สูงสุดนี้เป็นสิ่งเลิศคำว่าหญิงใดได้แก่หญิงวัณณกษัตริย์หรือวัณณพราหมณ์หญิงวัณณะแพทย์หรือหญิงวัณณะสูตร คำว่าเช่นเราคือเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์แพทย์หรือสูตรคำว่ามีศีลคือผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากมุสาวาทคำว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือผู้เว้นขาดจากเมทุนธรรมที่ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมคือผู้ชื่อว่ามีธรรมงามเพราะศีลนั้นและพรหมจรรย์นั้นคําว่าด้วยธรรมนั้นคือ ด้วยเมทุนธรรมคำว่าบํเรอคืออภิรมคำว่าด้วยคำที่พาดพิงเมทุนคือด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมทุนธรรมคำว่าเป็นสังฆาธิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษ